บรรดาญาโยมวุฒบริษัทรับฟังําในงานในการเจริญวัฒฐานรมแคนิดน้อยเนี่ยคือไม่เอามาประสานชั่วโมงละเรอะไนวันนี้เป็นวันต้นความจริงวันต้นวันปลายตรงไนกันนะการเจริญวัฒนธรรมบรรดาญาโยมวุธบริษัทวันนี้ตอนกลางวัน ก็ยังมีปัญหามาถามเรื่องของสีติแต่ความจริงเจ้าภาพจะตัวเองไม่ทราบว่าเป็นปีติฉะนั้นเมื่อไมการเข้าใจหลูงวันนี้ขออธิบายเรื่องปีติแต่วก่อนจะอธิบายเรื่องปติของผู้เริ่มต้นก่อนเพราะว่าวันนี้บรรดาญาติของพัฒนบริษัทที่มาใหม่ดีเยอะมาใหม่ถ้าจจะเก่าที่อื่ก็ได้นะอย่างเช่ น, ะนะละง ใหม่ตรงนี้ทุกวนันแต่วันหน้าเก่าเพราะว่าในเรื่องต้นในการเรริธรรมฐานก่อนเรียบภาวนาตามที่ปโบราณอาจารย์แนะนำท่านให้พิจารณาก่อนเพราะว่าผลของการบรรลุจริงๆอยู่ที่พิจรารณาแต่ว่าทางเราไร่การภาวนาคีดก็ไม่ทรงตัวเหมือนกันก็มีความจำกัด จะต้องมีทั้งภาวนาด้วยมาวีทั้พิจารณาด้วยคําว่าพิจารณาคืออารมณ์คิดอันดับแรกก่อนที่บรรดาท่านพุทธบริษัทจะทําอะไรทั้งหมดก่อนภาวนาให้ใช้พลังคิดก่อนวิธีที่จดตัวคิดต่างความจริงในการใช้ปัญญามีให้มีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าการเกิดสิ่งคนนี้มานเป็นทุกข์ เราก็หาทุกให้พบว่าความหิวเป็นทุกข์จะไม่ทุกข์เราจะพบว่าทุกแต่ความหิวที่มีวันละหลายครั้งการป่วยไข้ไม่สมบายก็เป็นความทุกข์ความปรารถนาไม่สมหวังก็เป็นความทุกข์การประกอบกิจการงา น, น, นต่างๆเพื่อเลี้ยงชีพมีความเหนื่อยยากก็เป็นทุกข์แต่การป่วยไข้ไม่สมบายก็ไม่ทุกข์ ความแก่ก็เมื่อครอบงำก็เป็นทุกข์ความพักผ้าเกิดของรักของสตใจก็เป็นทุกข์แต่ในที่สุดเราก็ตายกระรงความว่ากายที่เราอยู่ในโลกนี้ส่วนใหญ่แล้วไม่คิดว่าเราจะตายยามสั่งสมหาทรัพย์สินทั้งหลายไว้เพื่อเราแต่ในที่สุดเราก็ต้องตายจากทรัพย์สินไปกระรงความว่ากายเกิดเป็นคนในโลกนี้มันไม่ดี ไม่มีอะไรท่วนตัวคำว่าดีจะหมายถึงความสุขถ้าเราสแสวงหาความสุขไว้ได้ก็ <c oughs> ต้องถือว่ามันไม่ดีในเมื่อโลกนี้ไม่ดีเราควรจะไปเกิดที่ไหนสิ่งที่เราว่ามีความสุขก็คือสวรรค์ก็ดีก็ามาโลกก็ดีมีความสุข <c oughs> ถ้าว่ากันตามควา ม, มเป็นจริงแลกก้วเครืองมรรคเคอสวรรค์ก็ดีก็มรรคก็ดีเทวดาหรือผมท่านมีความสุเจียง ลสองโลกนั้นไม่มีความทุกข์มีความปรารถนาสมหว่างอยู่โดยตลอดเสมอทิวดากับพรหมไม่มีคําว่าแก่ไม่มีคําไม่ยิวไม่มีคําว่าหนาวไม่มีคําว่าร้อนการป่วยไข้ไม่สบายก็ไม่มีดวงความว่าเทวดากับพรหมเป็นสุขมีความปรารถนาสมหวังอยู่เสมอแล้วต่ว่าความสุขของเทวดาหรือพรหมไม่ได้สุขตลอดกาลตลอดสมัย แในเมื่อบุรปุณณ์วานาบารมีก็ตอนจุดติเคลื่อนไปเกิดโลกอื่นถ้าอย่างดีก็มาเกิดเป็นมนุษย์ถ้าพาดพลาดพาดทางอาบุตรนกรรมเก่ายัางเหลืออยู่กับวพวกเราต้ ง, งมาลกไปแล้วไว้ใช้ปัญญาพิจารณาว่าความจริงเกิดวิญญาณหรือผมก็ไม่ดีมันสุขจริแล้วว่าไม่นานนักไม่ใช่ก็มีความทุกข์ต่อไปก็จะเปัญญาพิจารณาหน่อย ตามที่รุตเจ้าตรันทรงตรัสว่าไฟนิพพานอีนิพพานเป็นแดงของความสุขไม่มีความทุกข์ไม่เ่อนไปจากนั้นถ้าถึงนิพพานแล้วก็อยู่ที่ข่านไม่กลับมาเคยสมรสอีกไม่เป็นเดือวดาลไม่เป็นโทมอีกทีเรื่องตลอดไป <c oughs> ในเมื่อวิจารณ์อย่างนี้แล้วก็ตัดสินใจตามความเป็นจริงต้องตัดสินใจจริงจริงนะ <c oughs> ว่าการเกิดมนุษปันทุกอย่างนี้เราไม่ควรมาอีกเป็นเทวดาระพรหมเป็นสุขเป็นสุขทุกข์กราวก็เป็นคนเกิดต่อไปคนปฏิพันธ์นการปฏิพันธ์จะทำยังไงก็ต้องอาศัยเหตุสารในการหนึ่งทางการให้สองสรักษาศีลราษากายวาจาและใจให้เรียบร้อยสามจเจริญภาวนา พานาที่ทั้งสมถะภาวนาลัทธศาสนาภาวนาตัวเราตักกิเลสเมื่อคิดอย่างนี้แล้วก็ตัดสินใจต่อไปว่าการที่เกิดอะไรเป็นเหตุให้เราเกิดเตี่ยเกิดมีสี่ระการคือหน1่ตัณหากิเลสหกิเลสสอตัณหาสฟาทาน4อุปนิกรรมกิเลสคือความเศราหวองจิตจิตทิศเลว ปัญหาเมาื่อจิตคิดลแลวแล้วเข้าใจว่าดีก็เกิดความอยากปัญหาเป็นความอยากอุปาทานยิดมัน่นหรือมั่นหมยของเลวหรือของดีอาุปสมนกรรมก็ทําสิ่งที่เราไม่ฉลาดทำความเลวขึ้าเท่าสิ่งปรการนี้มาควบคุมใจเราเราก็ต้องเวียนไห้ใจเกิดในวัตฏการมีใจะจะกำจกัดกิเลสปัญหาอุปาทานและอุปสมณกรรมดังสี่ประการก็ตรงหนึ่งทานการให้ เราคิดว่าอย่าง้งเคราะค น, นในสัตว์มีความสุขต่างกำลังและราการในสองจะท่งสิ่งนี้บ่อยสุดเป็นการต้องการใบผูกรายการในสามใช้กำลังภาวนาซึ่งสมถะภาวนาก็ดีวิปัสนาภาวนาก็ดีถ้าสองอย่างนี้ควบคู่กันไปสมถะภาวนาทางังจิตให้ทรงตัวไม่เป็นท่ายของนิวร์แล้วต่อไปก็ใช้วิปัสนาภาวน า, า, นา เ, เป็นการกระจายกิเลสสมุทติทาาัปบาล การกำลังใจของเราถึงดี ส, สุดการตัดกีรติแล้วก็สามารถสนิทผาได้เพระนั้นวันนี้เราทั้งหลายจะไม่คิดว่าจะเกิดสุนม ok ุษย <c oughs> ์ว ok ิญญาณไดากับคนต่อไปต้องการสุดเดียวกันนั amazing. ่น <concrete> คือการตั้งใจภาวนาและพิจารณาตอนนี้กว่าว่าการภาวนาการพิจารณาภาวนาเรื่ออารมณ์นึกพิจารณาเรื่อารมณ์คิด ภาวานาก็นึกถึงลมหายใจเข้าหายใจออกลำดับแรกทุกคนต้องทําเหมือนกันเรื่ลงลมหายใจเข้าหาใจออกนี่ไม่ใช่ทําเฉพาะเบื้องต้นวิธีแรกทำยันยันผ้าสป็นผ้ารหันถ้าเป็นผ้ารหันได้ก็ยังต้องทําต่อไปจนกว่าจะผ่ภานแม้พระพุทเจ้าเองก็ทรงจัด ก, กับว่าอนนลวานันทะดูก่อนอนนล สถานคตเองก็เป็นผู้มากในอนาพานุสติกกรรมฐานในจมัยความอนาพานสติกกรรมฐานนี้เป็ น, น, าานกรรถฐานกันพุ้งส้าของจิตอันดับแรกเขาบรรดาในพุทธบริษัทนึกเพื่อลงให้ใจเขาออกหายใจเข้ารู้อยู่หายใจเข้าหายใจออกรู้อยู่หายใจออกแล้วก็ต่อไปก็ใช้กรรมวิณาควบกรรมวิญานี้สําหรับสุขวิสุโกตอนต้นๆเขาไม่จํากัด จะภาวนาว่ายังไงก็ได้ตามใจชอบตามที่เราชอบนะแต่ส่วนใหญ่ในตอนต้นท่านะเจ้อสอนว่าภาวนาวธธ่าพุศโถก็สั้นนะก็ง่ายแล้วมีอานรที่สูงมากถ้าภาวนาวอกุศโถก็ให้ปรึกษาตามนี้ว่าเวลาให้ใจเข้านึ ก, กว่าพุทธาย ใ, ใจออกก็ดีตอนนี้ภาวนาอยู่ก็ดีรู้ม่ใจออกก็ดีตอนนั้นก็บรรดาแยกโยมพุฒิภิกษุ จงอยากอยากรู้อย่ากเห็อะไรเป็นไข่าการอยากรู้อย่าถึง็ น, นเป็าวอนโทติสิจงพระเจ้ากู่จากจะได้แก่ความผู้สร้านสาคัญถ้าจิตใจตั้งไว้เฉพาะลมหายใจก็ออกอหายใจเข้าก็รู้อยู่ภาวนาตามบัคคุตหายใจออกรู้อยู่พาวนาตามบัตุเอาแค่นี้นะในต่อไปการภาวนาในเรื่องต้นจิตเริ่มดีขึ้นที่เรียกว่าขนันกาสมาธิ มีสมาธิเล็กน้อยภาวนารู้อยู่ภาวนาให้รู้ลงในใจคข้าจะออกไปเดี๋ยวกจ้าแรกเป็นส่นอารมณ์อย่างนี้เรียกวาคณิกาสมาธิสมาธิเล็กน้อยก็ใช้ได้ต่อไปสมาธิดีขึ้นเรียกว่าปีติจิตเข้าถึงปีติคือความอิ่มใจถ้าจิตเข้าถึงตอนนี้บรรดาท่านพุทธวิสัทกาลังใจจังไม่อยากเลิกไม่อยากหยุด อใจในการเจริญภาวนาท่านเรียกว่ปีติเรื่องความอิ่มใจแต่นี่อาการเขาปีติวันนี้จะพูดอาการเขาปีติอาการเขาปีติจริงๆมีห้อย่างวันนี้หลายคนมาถามว่าทําไมจึงเป็นอย่างนั้นแต่ความจยิงนั้นเป็นอาการเขาปีติเป็นของดีแต่ท่านไม่ทราบดีไม่ดีที่เขาเรียกว่าเป็นของเลวไปจะเลิกเสียก็เสียดาย อ า, าการเขาปีจิตจริงๆมีห้าอย่างคือหนึ่งขนฟองไสยองเกลา้าในเมื่อจิตเข้าั้งขั้นปีจิตนี้แล้วอารมณ์ย่มเป็นคิดเริ่มเป็นคิดที่เรียกว่าเขาฝึกเสี้ยที่อุปยญญานเนี่ยเขาฝึกในตอนนี้และาการห้าอย่างย่อมไม่ปรากฏกับคนทุกคนบางคนก็ไม่ปรากฏเลยบางคนก็ปรากฏเฉพาะอย่างบางคนปรากฏทุกอย่างแต่จําไว้เดียวกันอาการแรก น้ำตาล ไ, ไหลเขอโทษคนพองเสียงกั้งคือคนลุกสู่ซาดภาวนาไปภาวนาไปจิตใจเริ่มสบายขึ้นไปตามลําดับจิตใจมีความไม่คงมีความสุขแต่จ่ว่าคนลุกสู้ซาดกันมาอย่างนี้เป็นแบบปีตข้อจึงเลอาการที่สองอาการนี้ไม่จำเป็นต้องต้งเรียงลาดับนะบางคงจะเป็นอย่างเดียวผ่านไปเลยอาการที่สองน้ําตาลไหล ตอ น, นาไปพระจิตเข้าทั้งปีจิตก็น้าตาไหลใน ต, ตอนนี้บางทีใครก็พูดชอบใจก็น้าตาไหลกันแทบไม่หยุอย่างนี้ถือว่าแปรกายเขาปีติตขอที่ไม่เจ็บของผิดเป็นเจ้าแบบหรือว่าไม่ต้องําลายถ้าจิตเลยขึ้นไปมันหยุดเองแปลกายเขาปีจิตขอที่สา ม, ม้ร่างกายโยกโครเวลาจิตเริ่มไปสมาธิร่างกายโยกขนบนหน้าบ้างโยกข้างหลังบ้างโยกทางซ้ายบ้างโยกทา ง, งขวาบ้าง อันนี้อาการเขาปีติข้อเดือสาอาการเขาปีติข้อสี่ะ้าเกิดเพีงควาีตินีอาการเบื้องต้นจะมีตัวสั่นเส้นฟึ่งฟังคงคลางคล้ายปวกระดับทลกปวตัวถ้กากำลังเข้มแข็งขึ้นจะมีตัวลอยขึ้นบนอากาศไม่ใช่หอกนะมันลอยขึ้นบนกำลังเอาปีติถ้าเกิดมีความรู้สึกตัวก็ถอยกลับมานั่งเฉยอาการปีติ 4. ข้ 5. อเดือห้า แล้เรื่องภ า, ารณาผิดคือมีการทราบสราบ้างพอนั่งไปแล้วกิจะเริ่มเป็นสุขที่มีความรู้สึกว่าหน้าตามันใหญ่มากเฉพาะหน้านะ่ะมันใหญ่ตัวมันก็โลกมีความรู้สึกร่างกายใหญ่มีตัวสูงขึ้นเนปะ็นความรู้สึกแต่ขั้นต้นมันเป็นขั้นยากพอถึงขั้นละเอียดจะมีความรู้สึกว่ามีลมไหลเป็นตัวเรื่อยๆๆๆแบบนี้ ในที่สุดจะมีความรู้สึกตัวไม่เหลือเลยร่างกายมันเหลือเดินแต่หน้าอย่างเดียวอย่างนี้แปลวกายมันปีจิตตอนห้าความว่าปีจิตทั้งห้าอย่างนี้ไม่ใะ่ของใวหรือ เ, เป็นองดีในเมื่อจิตทังปีติและความสุขก็เกิดเมื่อความสุขเกิดขึ้นมีความเยือกเย็นใจมีความสุขใจสุกกายแล้วต่อไปก็เป็นเอกตารงเป็นปนัตถุม่ใช เท่าที่บอกให้ฟังเพื่อนแนะนำบรรดาญาติโยมผู้บริษัทว่าถ้าอาการอย่างนี้เกิดขึ้นจงอย่าคิดว่าเป็นโทษให้เข้าใจเป็นคนจะมีความรู้สึกเวลานั้งจิตเป็นสุขมากมีรมดี่งไม่ถ้อยหลังแต่ว่าอาการอย่างนี้จะพ้นไปนนเมื่อสมาธิสูงขึ้นกว่านั้นหรือว่าสมาธิต่ำลงก็ไม่เกิดอาการอย่างนี้อาการทั้งหมดนี้จะไม่เกิดกับคนทุกคน บางคนจะมีอาการอย่างนี้บางคนก็ไม่มีที่ไม่มีเช่นมิจฉาทนทานทาีตันใดไม่ผ่านปิจีนี้มีมากเครื่องความรา ก, การแนะนำวันนี้เพื่อการป้องกันความสงสัยเรื่องปีจีนที่นี้มาว่า ก, การปฏิบัติแต่การปฏิบัติบรรดาแท่าพุทธบริษัททุกคนปฏิบัติเพื่อความคน้นทุกข์ถ้ปฏิบัติจริงจริงถ้าไม่หวังความค้นทุกข์จะขาดทุน อคว่าขาดสุนุวะยังปฏิบัติไปเพื่อการเลื่อนลอยศสัตวธรรมทําตามใจตามตามเขาอย่างนี้ความดีมีไม่ถอยแต่ว่ากําลังใจจะไม่แน่นอนการปฏิบัติและการทํำโมดุอย่างต้องมีอธิฐานระมระีถ้าไม่มีอธิฐานระมระีจะไปไม่ตรงทางอย่างท่านอารวีเสรษฐีความดีมีมาก แต่ว <ís> so ่าเวลานั้นเขาผูพอุเบกต์ผู้เป็นมิภาคกล่าวว่าท่านในขณะที่เป็นมหาเศรษฐีอยู่คนนี้ฟังเทศเจตสาขโจบเดียจะเป็นพระอนาคามีว่าทรัพย์น้อยลงเป็นพระนุเศรษีท่านบอกว่าตอนนั้นแต่ฟังเทศแต่ท่านจบเดีจะเป็นพระสีธาตุามเมื่อทรัพย์น้อยลงเป็นพระอาวดีท่านบอกฟังเทศจบเดียจะเป็นพระสมุาบัน แต่ว่าเวลานี้เป็นขอทานตามเทสอะไรก็ไม่มีผลถ้านอนยิ่ถามนั้นว่าการที่พระเจ้าตรงตรัสว่าคนที่ได้รับมรรคคนนั้นจะถ้ายังไม่ได้รับมรรคเรื่องใดจะไม่ตายก่อนสมเด็จพระจินดรวันทรงสว่านั่นเขามีาเข้ามีอธิฐานนับอารวีแต่ว่าอารวีจะอีกขาดอธิษฐานนับอารวียังมีความเล่นแน่นอน เส้การทีบรรดาเจ้าพุทธบริษัทจะให้ภายก็ดีกระรับสาตวสิงห์ก็ดีจิตเรียนภาวนาก็ดีให้มีอธิฐานบารมีไว้ว่าเราต้องการอะไรส่วนใหญ่จริงๆเราต้องการนิพพานคือความพ้นทุกข์ดังกับรรดาเจ้าพุทธบริษัทให้ตัดสินใจว่าเราทําเพื่อนิพพานให้ทานก็หวังนิพพานรักษาสิงก็หวังนิพพานเราภาวนาก็หวังนิพพานเช่นเดียวกัน ไอ้ถามอนิพพานไม่เคิดมิใสพวกเราหรือก็ต้องตอบว่าถ้ากิเลสยังไม่หมดก็เกิดมิใสพอไต่จีนมกิเลสหมดไปเลยก็ไม่เป็นมิใสมันใช่กระบวนการทุกคนค่อยๆเดินกึ้นไปหาอนิพพานดีกว่าอีกคนทุกคนเีจะไปอนิพพานได้ต้องมีคนที่เคารพในพระเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ที่บรรดาในบริษัททุกคนที่นั่งอยงนี่ก็มีความเคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่แล้วก็มีเกณฑ์อยู่ เราสรรพานิพนธ์แน่นอ น, นการจะบริพานชาตินี้ด้ชาติไหนเราก็ไม่แน่ใจถ้าทําไปเรื่อยๆเมรัยบา ร, รมีเต็มอะไรก็บรรพานแบานั้นดังนันตอนนี้เราศึกษาเบื้องตระอนิพนธ์ไว้ก่อนคําว่าพระโสดาบันแปลว่าูเข้าถึงกระแสอนิพนธ์ดังการปฏิบัติในตอนต้นให้หวังพระโสดาบันไว้ก่อนจะได้หรือไม่ได้ไม่สาคัญเพราะว่า พระโสดาบันไม่หนีเราไปไหนถ้าเราเดินข้าไปหาทุกวันก็ใกล้ไปทุกทีก่อนที่จะเป็นพระโสดาบันได้จะปฏิบัติเขาต้องรู้คุณธรรมคนต่างเขาวโสดาบันว่าคนนี้เป็นพระโสดาบันจริงๆทรงคุณธรรมสอย่างคือหนึ่งไม่สงสัยในพระวจนะเจ้าสองสงไม่สงสัยในระธรรมสามไม่สงสัยในพระอริยสงฆ์สี่มีสิ่งห้ามไว้ โดยคนนี้เป็นวสดาบาลจริงๆทรคุณธรรมเท่านี้แต่ถ้าเวลาปฏิบัติต้องอิการาต้องสามเป็นกันเต้าต้าสามถ้าไม่ได้สองเวลาปฏิบัติจริงๆต้อรักสังโยต์ 1, สกกามเพื่หนึ่งสกายยอะที่สมีความรู้สึกว่าชีวิตนี้ต้องตายแต่เราก็ไม่ประมาทแต่ชีวิตคิดว่าจะตายเมื่อไรก็จะถ้าตายคราวนี้อย่างเร็วเขาไปสวรรค์ อย่างกลางขอไปเป็นลมอย่างดีที่สุดขอปันทันฉันั้นเราก็หวังนิพันธ์เป็นที่ไปที่สุดสุดหมายปลายทางและราการต่อไปก็วิตตพิจิปิชาคือความสงสัยในความดีพระพุทธเจ้าพระธรรมในพระ อ, อริยสงฆ์อันนี้ลูกข้อที่ส ม, มีสินห้บริสุทธิ์และก็สีแถมทายจิตวงพระนิพพานในอารมณ์ ความว่าคนจะเป็นประโสดาบบันไดคนหนึ่งไม่ลืมความตายมีความรู้สึกต่างความเป็นจริงว่าชีวิตนี้ต้องตายถ้านึกถึงความตายไว้เป็นบุติพระพุทธเจ้าทรงเรียกว่ามรณาปีแห่งมรณาลุกสึกกรรมฐานเป็นกรรมฐานก้อ่หนึ่งที่เราได้และก็ที่สองเคารพพระพุทธเจ้า ข้าจิตใจเคารพพระพุทธเจ้าจิ่งถี่ว่าเป็นได้พุท ธ, ธานุสิกรรมฐานข้อที่สเคารพในประำำธรรมคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างนี้ถือว่าเข้าถึงธรรมานุสิตกรรมฐานข้อที่สย่างเคารพพระอาเยาสงอย่างนี้ถือวเป็นสังขนันธิตกรรมฐานที่เข้าประทานทั้งหมดสี่กองแล้วต่อไปก็จะเจนิญถึงสิ่งห้า ว่าสินห้ามีอะไรบ้างเราวิายามจะตัดการระเบิดสินห้าผิดขาดขณะที่จิตเคารพในสินห้าเป็นจเป็นศีนลานุตติกรรมฐานแล้วก็สอบไปก็คิดว่าการปฏิบัติชนีระวังที่ผ่านมิไฟถ้าเนึกถึงไมนะ่ได้พาอยูนนะ่ขณะใดขณะนั่งเชื่อมี อ, อ, อุสมานุตติกรรมฐานรวมความว่าการนึกถึงการเข้าถึงอารมณ์ของพระโสดาบันนักสุดด้วยความสโสดาบัน ก็มีกรรมฐานไม่จาใจคือหนึ่งรณาไมติกรรมฐานนั่นความตายเป็นอารมณ์ 2. พุทธุธานุนตินั่งคือพระพุทธเจ้า3ธรรมารุตินึ่นถึงพระธรรม4สังขารุตินั่นคพระอริยสงฆ์หาชีลานุตินึกเค้าล็กในสิ่งอุบาสกานุตินั่นคมอผลิตภัเป็นอารมณ์ รองความง่ายๆว่าเปัญญาของท่านพุทธบริษัทท่านจะปฏิบัติเก้าถึงนี้ฝ่ายพยายามตื่นะอย่า้คิดว่ามันได้ภายในเวันเดียวทำมาลุไม่ยินสื่นมาเช้าวก็มีความรู้สึกตางความจริงว่าชีวิตนี้มันต้องตายหล้ที่พระพุทธเจ้าทรงตัดว่าพิเกเวดูกรดวิตามินไลท์ท่านนั้นหลายจงใหญ่คิดว่าความตายจะเข้าถึงเราในวันพรุ่งนี้ ให้ท่านไม่มีความรู้สึกว่าความตายอจะเข้าถึงเราวันนี้ก็เสมอแล้วลก็ต้องคิดว่าวันนี้เราอาจจะตายก็ได้ถ้าตายเมื่อไรอย่างน้อยขอไปสวรรค์ทําลังอย่างการเ ข, ข, ขนน้าไปปมเชิงพิมพ์ศึกขอปณิธานฉะนั้นขอยึดอารมณ์โสดาบันไปก่อนพระอรมณ์โสมดาบันนี่เป็นการตัดอภัยภุมิทั้งหมดบาป ก, กรรมต่างๆที่ทํำมาทั้งหมดไม่สามารถให้ผล ไมวความตายแห่งความเป็นคนจะไม่มีสิทเกิดสิรกเป็นเป็ดเประสงค์กายเป็นสติฐาน <c oughs> แต่เกิดอย่างต่ำก็เกิดเป็นคนหรือเกิดเป็นธรรมดาและผมท่านเองมีกำลังธรรมดาแต่บริษัทไม่กําหนดใจอย่างนี้แล้วก็ตั้งใจคิดว่าถ้าความตายจะมีกับเรามาไรเราพร้อมที่จะตายมันก็ต้องพร้อมอยู่แล้ว แล้ก่อนที่เราจะตายต้องขอยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระ อ, อริยสงฆ์เป็นต้นเป็นการป้องกันดนับใบยาบู่ไว้ก่อนและรายการในสองข้อหินห้าเป็นกแพงป้องกันดับปบยมบู่แน่นอนและการต่อไปทางที่เราจะ ก, กล้าไปแท้ขีดนิพนธ์ต้องการยิดนธ์ให้ขอบันดาเป็นพุทธบริษัททุกท่านก่อนที่ท่านจะเริยนกรรมฐานมาวันนี้ก็ดีพรุ่งนี้ก็ดีวันนี้ก็ดี เขาอยู่ที่ป้ายก็ดีเวลายช้าปลุกตื่นขึ้นมาใหม่ให ม, ใหม่กำลังใจยังจะอาดอยู่ให้มีความรู้สึกตา่างความเป็นจียงว่าชีวิตมีมันต้องตายแต่จะาตายเมื่ อ, อไรก็ตามทีในวันนี้เราไม่ขอไปอาวัยวะปุ๋มถ้าไม่เกินความสามารถขอควนิพพานจุดเดียวถ้าระหวังปฏิพภาณถ้ามันไม่ถึงนิพพานกค้าสวรรค์ค้างคงเองหลังจากนั้นบรรดาต้นพุทธศาสตรค้นึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสง อาจิตใจถวายความเคารพความเคารพพระมัน่นคงแล้วก็ตั้งใจว่าวันนี้เราจะส่งสินแหวันสุดประกอบไม่อยอมละเมื่อสินหลังจะกนั้นไปเที่ยวภาวานาตามธรรมญาใสทำภาวณานี้ไม่จํากัดบัรดาแต่พุทธบริษัทใครเคยคล่องแบบไหนว่าแต่ท่านถ้าทางพระท่านหลายที่ไม่เคยภาวนา ม, มาเลยให้ใช้ทำภาวนาพระุโธ เวลาให้ใจเข้านึกวึงพุท ธ, ธัญญาเวลาให้แต่ออกนึกโสอันต่อที่ไปพระบรรดาจะพุทรธชัสักหลายตั้งใจสมัรการพระรัตนตรสมาทานสีนิมมานะเทวะสานด้วย <c oughs>